ตอนที่หนึ็ดนิสัยแค้นนี้ต้องชำระเกิดอะไรขึ้นพ่อส ก, กุลเซียวรีบร้อนมาที่นี่ทันทีที่ได้รับโทรศัพท์เขามองไปทางเซียวเหมียวอวินด้วยสีหน้าตื่นตระหนกคุณปู่เป็นอะไรไปหรือเปล่ารีพูดมาสิคุณพ่อคำเมื่อกี้ผู้หญิงคนนี้อาศัยช่วงที่หนูไม่อยู่ในห้องพักผู้ป่วยพยายามจะทําร้ายคุณปู่ข้าหนูจับได้คาหนังคาเขาเลยเซียวเหมียวอวิ๋นชี้ไปที่หลีหวันแล้วพูดพล่้งออกมาหนูกับหล่อนเคยมีเรื่องบาดหมาง ก, กันหนูไม่รู้ว่าหล่อนสืบเรื่องโรงพยาบาลมาได้ยังไงยัง ไ, รรน ไ, ไ, ง ไ, ไ่นไมด้ะะคะ เลวไหลอะไรกันพ่อสกุลเซียวถลึงตาใส่ลูกสาวนี่คือหมอเจ้าของไข้ของคุณปู่ครั้งก่อนก็ต้องขอบคุณแม่หนูคนนี้ที่ช่วยฝังเข็มให้คุณปู่ไม่อย่างนั้นอาการของคุณปู่ตอนนี้คงจะอันตรายกว่านี้มา ก, กเซียวมิวอวิ๋นได้ยินพ่อพูดเช่นนั้นกับหูตัวเองก็ทําสีหน้าไม่อยากจะเชื่อคุณพ่อเขพ่อเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นไปได้ยังไงกันทําไมจะเป็นไปไม่ได้พ่อสกุลเซียวโบกมืออย่างขี้เกียจจะต่อความยาวสาวความยืดกับเธอเขาหันไปถามหลีวันอย่างละเอียด มอลีครับตอนนี้อาการของคุณพ่อผมเป็นยังไงบ้างฝังเข็มครั้งที่สองเสร็จหรือยังต้องจัดตารางตรวจซีทิสแกนใหม่อีกรอบไหมครับเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะลูกสาวของคุณไม่ยอมให้ฉันฝังเข็มให้ท่านผู้ท่าบ้านคุณแถมยังลำบากให้สหายตำรวจต้องมาเสียเที่ยใส่ร้ายว่าฉันมีเจตนาร้ายต่อท่านผู้ท่าหลีวันเอ๋ด้วยน้ำเสียงเรียบเฉย ฉันบอกลูกสาวคุณไปแล้วว่าถ้าไม่ได้ฝังเข็มครั้งที่สองปัญหาจะร้ายแรงมากแต่ดูเหมือนเธอจะไม่เชื่อคําพูดของฉันนี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวคุณคุณจัดการให้เรียบร้อยก่อนเถอะแค่ฉันเองก็รีบปรับไปรายงานสถานการณ์ให้อาจารย์ทราบวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันพูดจบลีหวานก็เตรียมจะเดินจากไปพ่อสกุลเซียวรีบก้าวเข้าไปขวางไว้พรางเกลี้ยกล่อมด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนโทษที่ผมไม่ได้อธิบายสถานการณ์ให้ลูกสาวฟังล่วงหน้าเรื่อง น, นี้ไม่มีอะไรต้องพูดแล้วฝังเข็มให้คุณพ่อผมก่อนเถอะครับฝังเข็็มเสรจแล้ววค่่อยากาัน เซียมิยวอวินจ้องมองหลี่หวันด้วยสายตาเครียดแค้นเอ่อยเตือนเสียงเย็นแกคอยระวังตัวไว้ให้ดีถ้าแกกล้าทําให้คุณปู่ฉันเจ็บลักก็ฉันไม่เอาแกวไว้แน่เนี่ยวอวินพ่อสกุลเซียว เ, เตือนให้เธอหุบปากด้วยความโมโหนายเมื่อรู้ทั้งรู้ว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็ควรจะมีท่าทีที่ดีกว่านี้เพื่อยอมรับผิดและขอโทษหลี่หวนันไม่ใช่มาวางอํานาจบาดใหญ่ที่นี่ตอนนี้ท่านผู้ทบ้านพวกเขาจําเป็นต้องรักษาโรคหักล่วงเกินหลี่หวนันไปพวกเขาจะได้ประโยชน์อะไร ในเมื่อเรื่องนี้กระจ่างแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นงั้นพวกเราขอตัวก่อนเจ้าหน้าที่จีเอ๋ยวันหลังอย่าแจ้งความซีโซลัดถ้าสถานการณ์ร้ายแรงใครแจ้งความเทสจะต้องถูกจับกุมนะครับครับลูกสาวผมคงไม่ได้ตั้งใจแจ้งความเทสหรอกครับเธอแค่ระแวดระวังมากไปหน่อยเท่านั้นเองพ่อส ก, กุลเซียรีบยอมรับผิดหลังจากส่งสหายตำรวจไปแล้วหลีหวานก็เข้าไปในห้องเพื่อฝังเข็มทันทีการฝังเข็มผ่านไปครึ่งชั่วโมงเธอก็เก็บเข็มและเตรียมรอผลตรวจซีทิสแกนออกมาก่อนค่อยกลับหลีหวาน นึกไม่ถึงว่าแกจะมีฝีมืออยู่บ้างเหมือนกันเซียลมิววิงคิดมาตลอดว่าคนที่หยวนเศร้าเหิงชอบเป็นเพียงพวกสวยแต่รูปนึกไม่ถึงว่าใ ย, ยใจกันใบนี้จะมีความสามารถอยู่บ้างถึงขั้นเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยการแพทย์ขอบคุณที่ชมค่ะลิวานเอ๋ยโดยสีหน้าไม่เปลี่ยนเฮเสียลมิววิงกระดอกอย่างดูแคลนอย่าคิดว่าทําแบบนี้แล้วฉันจะไม่แข่งกับแกอย่างยุติธรรมนะแกนะั่นไม่คู่ควรกับหยวนเศร้าเหิงหลอกต่อให้แกมีความสามารถแล้วจะยังไงฐานะครอบครัวแกจะเทียบ ก, กับตระกูลหยวนได้เหรอ วันหน้าถ้าเขาจะแต่งงานก็ต้องหาคนที่ฐานะเสมอกันในด้านนี้ฉันมีแต้นต่อมากกว่าแกหลิหวันนั่งลงบนมา้านั่งด้านข้างโดยไม่พูดอะไรเธอไม่แยแสที่จะสนใจการประกาศสงครามของเซอรเมี่ิวอวินเลยสักนิดการมารับฝีป่ากกันที่นี่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแถมยิงดูไร้เดียงสามากอีกด้วยเธอและหยวนเศร้าเหิงในอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้ได้แม้แต่ตัวพวกเขาเองก็ตามไม่จําเป็นต้องไปคิดเรื่องที่ยังมาไม่ถึงการใช้ชีวิตในตอนนี้ให้ดีต่างหากที่สําคัญที่สุด เซียมิเอะอวินพูดจนปากจะฉีกอยู่แล้วแต่เมื่อมองดูหลีหวันกลับพบว่าความเสียหายเป็นศูนย์เธอเท้าเซเอลนึกไม่ถึงเลยว่าผู้หญิงคนนี้จะหน้าหนาขนาดนี้แกต้องรักษาโรคของคุณปู่ฉันให้หายนะไม่อย่างนั้นชาตินี้แกก็อย่าหวังจะได้เป็นหมอเลยฉันไม่อ ย, ยากแย่รู้เลยว่าคุณหนูใหญ่ตระกูลเซียจะมีความสามารถล้นฟ้าขนาดนี้หลี่หวันปริตาขึ้นมองเซียเมีเอะอวินในเมื่อเขม็นฉันขนาดนี้งั้นเธอก็ลองดูสิท้าทายนี่มันคือการท้าทายกันซึ่งซึ่งหน้าชัดชัด เซียเมี่ยวอวิ๋งก้าวไปข้างหน้าเตรียนจะด่าดต่ออีกสองสามประโยคแต่ในตอนนั้นเองพ่อสกุลเสี่ยวก็ถือรายงานผลตรวจซีทิสแกนกลับมาหมอหลีครับลองดูผลครั้งนี้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ผมได้ยินหมอบอกว่าฟื้นตัวได้ไม่เลวเลยดีกว่าครั้งก่อนอีกครับหลิวันรับไปตรวจมาดูการฟื้นตัวดีมากจริงๆหลังจากนี้ยังต้องฝังเข็มต่อไปรอดูว่าทางหมอที่โรงพยาบาลจะให้คุณพ่อคุณหยุดยาได้เมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่ยาทางนี้หยุดแล้วก็ถึงเวลาเริ่มดื่มยาจีนครับ พ่อสกุลเซียพยักหน้าซ้ำๆพางถอนหายใจยาวด้วยความโล่งอกต้องขอบคุณคุณจริงๆวันนี้ศาสตราจารย์เท่าเซียไม่ได้มาด้วยเหรอครับหรือว่าพักผ่อนอยู่ในห้องตรวจอาจารย์ของฉันไม่ได้มาค่หลีหวันเอ่ยคุณควรจะดีใจนะที่อาจารย์ฉันไม่ได้มาถ้าท่านมาหลักก็ท่านไม่มีทางยุ่งกับอาการป่วยของท่านผู้ท่าบ้านคุณอีกแน่นอนหรีหวันลุกขึ้นยืนพางเหลือบมองเซียเมียว อ, อวินขณะพูด เท่าแก่เซียวแม้เราจะรู้จักกันไม่นานแต่ฉันคิดว่าคุณเป็นคนฉลาดนึกไม่ถึงเลยว่าลูกสาวที่เกิดมาจะโง่เขลาเบาปัญญาได้ขนาดนี้โชคดีที่คุณมาถึงทันเวลาไม่อย่างนั้นชีวิตของท่านผู้ทั่าคงต้องจบสิ้นลงด้วยน้ำมือลูกสาวคุณแน่ในใจของพ่อสกุลเซียวพลันเกิดสัญญาณเตือนภัยดังระงมเขาไม่พอใจกับการแสดงออกของลูกสาวในวันนี้จริงๆเกิดจะทําเรื่องใหญ่พังเสียแล้วครับผมจะสั่งสอนเธอให้หลับจําแน่นอน สีหน้าของพ่อสกุลเซียสลดลงทันทีที่หลีหวานเดินจากไปเขาก็ฟาดฝ่ามือใส่เซียเมิยออวินฉาดหนึ่งไอ้คนโง่คุณพ่อพ่อตบหนูเพราะคนนอกเหรอกะเซียเมิยออวินกุมใบหน้าความเจ็บปวดแสบร้อนแล่นพลาดน้ําตาคลอเบา้าหนูไม่ได้ทำผิดนะคะที่หนูทําไปทั้งหมดก็เพื่อหวังดีกับคุณปู่เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นประจวบเหมาะเกินไปหนูเลยอดสงสัยในเจตนาของหลีหวานไม่ได้งั้นเหรอพ่อสกุลเซียแค้นหัวเราออกมา เมี่ยวอวิ๋นคำพูดนี้แกหลอกคนนอกนะพอได้แต่จะเอามาหลอกฉันแกคิดว่าฉันจะเชื่อเหรอลูกสาวตัวเองมีนิสัยอย่างไรไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคนเป็นพ่ออย่างเขาอีกแล้วผู้ที่ถูกก็คือเซียเมี่ยวอวิ๋นมีความแค้นส่วนตัวกับหลีหวานถึงได้จงใจเกาะเรื่องนี้ไม่ปล่อยเพื่อหาเรื่องกลั่นแกล้งหลี่หวานฝ่ามือที่พ่อสกุลเซียตกลงไปนี้ไม่ได้ปรับกรรำเซียเมี่ยวอวิ๋นเลยสักนิดเธอโง้เกินไปจริงๆแกไม่ควรเอาชีวิตของคุณปู่มาล้อเล่นเด็กขาดนั่นพ่อชนะ ถ้าท่านเป็นอะไรไปฉันก็กลายเป็นคนอกตัญญูพอดีปกติเซียวเมี่ยวอวินจะเหลวไหลอย่างไรเขาก็ไม่ว่าแต่นี่กลับกล้ามาเหลวไหลในเรื่องข้อขาดบาดตายดูถ้าปกติเขาคงจะตามใจเธอมากเกินไปอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่าช่วงนี้แกทําเรื่องพิเรนอะไรในโรงเรียนบ้างฉันเสียเงินส่งแกไปเรียนหนังสือเพื่อให้แกศึกษาหาความรู้ไม่ใช่ให้แกหาทางจับผู้ชายรวยๆพ่อสกุลเซียวแค่นเสียงเหอะใส่หัวกลับไปสํานึกผิดเดี๋ยวนี้ถ้าฉันได้ยินว่าแกไปทําเรื่องงามหน้าอะไรในโรงเรียนอีกหล่ะก็ฉันว่าแกก็ไม่จําเป็นต้องเรียนมาแล้ว เซียมยวอวินงได้ยินดังนั้นก็ไม่กล้าพูดอะไรอีก